อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นการบรรยายพระ 23 ซึ่งเป็นเรื่องจิต 8 อ่าเอกสารชุดนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะตาม 8 ประเด็นแรกตามเอกสารนะครับผมจะ กล่าวคือเกิดได้กว้างขวางทั้งโดยบุญยมหาแปลว่ามากประการใหญ่หรือกว้างขวางหมายเอา แปลว่าการกระทําศิริยาจิตเอาอาการสัก 20 สิริยา 20 ดวงใน 89 เนี่ยเป็น 20 ดวง ก็ประกอบด้วยอาวัชชนะกิริยา 2 ซึ่งคือปัญจตวาระชนะ <c oughs> 1 วโนตวาระชนะ 1, <c oughs> 1> ชวนะแล้ว <c oughs> 18 นี่บรรดิคส่วนหนึ่งพวกหนึ่งคืออปิตุปาทจิต <c oughs> 1 มหากิริยา <c oughs> 8 <c oughs> แล้วก็ฌานกิริยา 9 ย่อมไม่มีผลเหมือนดอกไม้ลมบาลีว่าวาตะปุผานี่เป็นจิตที่เป็นเหมือนดอก มีเป็น 2 พวกแต่โดยบุคคลก็คือว่ากิริยาจิตพวกหนึ่งใน 20 เนี่ยเกิดขึ้นกับพระอรหันต์บุคคลเท่านั้นแล้วก็อีกพวกหนึ่งเกิดขึ้นได้สําหรับ และคําว่ากิจที่กล่าวถึงในที่นี้ที่แปลว่าๆก็เรียกว่าเป็น ดวงก็เป็นโพธัพพนกิจคือตัดสินบางดวงก็ทําหน้าที่จวนกิจที่แปลว่าเสพรสหรือเสพอารมณ์แล้วก็กิจอีกๆเช่นการ ก็เข้าใจว่าคงจะได้เอกสารแล้วท่านจะเห็นว่าการเรียนพระวิธรรมนั้นพูดปากเปล่าเนี่ยมันไม่ชัดนะต้องอาศัยเอกสารประกอบอาศัยสัญลักษณ์ค่อนข้างจะมากนะฮะถ้าจะพูดกันอย่างให้ธรรมะนั้นมิ่งอยู่ในความ อมหามหาจริยาเนี่ยถ้าถ้าเราผ่านอเหตุกจิตมาแล้วก็จะ ต่างๆกันเช่นว่าฌานกิริยามี 9 รวมทั้งรูปาจารอรูปาจารกิริยา 9 นี้ก็กรณีของพระอรหันต์เข้าฌานสมาบัติจะเรียกว่ากิริยา มีทั้งหมดทั้งหมดอาเหตุกาจยา 3 มหากิยา 8 ก็ 11 เรียกว่ากามมติริยา 20 นะเป็นลักษณะสอด ฌานกิยาซึ่งเอาเอาเอ่อรูปภูมิอรูปภูมินะทีนี้บางที 2 ก็ดีเหตุ 3 ก็ดีก็จะเรียกว่า 8 ที่ 2 บางเห 3 เหมือนมหาปุริสจิต 9 ก็เป็นเหเห 3 เท่า ไม่ว่าจะเป็นรูปประจานกิริยาหรือรูปประจาน 3 ที่คือปัญจทวาราวัชณะมโนทวาราวัชณะแล้วก็อสิตุปาทจิตนี่เรียกว่าเป็นอเหตุกติยาเป็น โดยในอย่างอื่นคือเลือกด้วยหน้าจิตนี่ กิริยานั้นก็จะเรียกว่าอวชนะกิริยาและกิริยาที่ 18 ธรรมจิตเดียวกันฮะอ่าก็จะจิต 18 ดวงนั้นคือชวนะกิฏชวนะกิฏคือกิฏเสริมอารมณ์อ่ะครับอ่าถ้าถ้าฉาย จะเห็นว่าในวิถีจิตคือขาสุตปาฐะจิตที่เป็นกิริยาของปราณเราเรียน มหาจริยา 8 ที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้เป็นอีก 9 คือรูปฌานอรูปฌานนั้นเมื่อบุคคลจะเข้า คือชวนะจิตเนี่ยถือว่าเป็นจุดบริบูรณ์ความตื่นเป็นความรู้สึกสํานึกตัวเต็มที่ทั้งดีทั้งเลวเมื่อเวลาเป็นความรู้ๆคนๆเพียงนั้นไม่มี ไม่ทั้งโดยความตั้งใจแล้วก็โดยอำนาจความยึดติดเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยเราก็ถือว่า ที่ถือว่าเป็นความรู้สึกตัวที่เต็มบริบูรณ์แต่ว่า ตัวแรกความรู้ๆเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ชวนะของบุคคลนั้นเป็นอกุศล <c oughs> เป็นกุศลหรือเป็นชวนะมหากิยาแต่ละวั่นแรงในลักษณะที่ละเมียดละไมน้อยลงมามันไม่แรง <c oughs> ไอ้ cluttered ของความรู้สึกนั้นจะละเอียดลงไปเหมือนไม่มีความรู้สึก แต่ว่าในทางธรรมะกลับเป็นว่าชวนะที่เป็นฌานเนี่ยไม่มีสติบริบูรณ์ถ้าถามว่ามีนะบอกว่านั่นแหละสติมัน เหตุปัจจัยภายนอกเหมือนอย่างอกุศลจิตนะที่เรียกว่าจิตจวนะจิต ในความเป็นฌานในความนั้นของเนี่ยท่านเวลาจิตท่านเป็นกิริยาท่านจะ เป็นอรหันต์แล้วเข้าฌานก็ได้แล้วก็ว่าฌาน เพราะท่านทํากิเลสให้เป็นดุตาลยอดด้่นแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นพระอรหันต์จะฆ่าตัดรักษ์ทรัพย์ประพฤติเอาอรหันต์มาบวชแล้วฉัน นะแชร์เมตตาเป็นกิริยาฆ่าสัตว์ก็เป็นกิริยาว่าบางทีเราเผลอ <c oughs> ถูกต้องกายผู้หญิงก็ได้ท่านบรรลุแล้วใครไปถูกท่านก็ได้ไม่เป็นไรบรรลุแล้ว พรรณฆาตก็ต้องเป็นวิญญาณนะตอบว่าไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะอะไรนิดระบอบก็เลยนะว่าตอบตอบอย่าเนี่ยทําด้วย อะไรเป็นสมุฏฐานทําให้บุคคลทําบาปอกุศลละจิตอกุศลเจตสิกใช่หรือไม่ใช่มั้ยอย่างเช่นคนฆ่าสัตว์ด้วยอกุศลอะไรอกุศล โดยม่านความโลภความติดในรถแล้วก็เมาแล้วนั่นก็ <c oughs> <c oughs> ขันละไม่มีเหลือโดยสมุจเฉทปหานไม่มีเหลือไม่ได้ อาการร้อน 12 เจต 14 ที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยนะละได้โดยเด็ดขาดนะเมื่อละความรู้สึกที่เราจิตเจตสิกฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายต่ําละได้แล้วเนี่ยการกระทํา อกุศละตามบทก็ปรากฏซึ่งเป็นพฤติกรรมศึกษาอย่างของอกุศลนั้นก็มีไม่ได้นี่นี่ในส่วนนี้นะที่เราหรือโสภณะนะพอมาถึงตรง <c oughs> สติทีลิโอตัปปะอโลภะอาโทสะนะฮะต่างๆเหล่านี้เมตตากรุณากุศลธรรมเหล่านี้หรือเลือกอีกชํานวนว่าโสภณะเพื่อ ท่านเจริญเจริญมาจนมาตั้งถึงถึงมรรคถึงผลของท่านแล้วยังบรรดาโสภณะเจตสิกเนี่ยเต็มบริบูรณ์นะสติ แล้วถามว่าอาตมาไม่เต็มเมื่อเต็มบริบูรณ์แล้วทําไมถึงแหละจึง แล้วของเราที่ให้ผลก็พร้อมไม่เต็มบริบูรณ์ ในระดับไหนมุ่งประโยชน์ระดับไหนมันมีมุ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนเลิกและไอ้ จึงทําให้ให้ผลให้กุศลกรรมที่จึงเลือกโสภณะธรรมเหล่านั้นว่าเป็นกุศลเพราะให้ผลที่ให้ผลเพราะมีตัณหาเข้าๆอ่ะไอ้ ในระดับต่ําผิดระดับสูงและประเสริฐทําทิ้งทํา ก็เป็นมาเป็นเรื่องของความพูดตรงระหว่างเรากับปราหันในส่วนนี้ส่วนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ส่วนกุศลเนี่ยไม่ได้ทําลายแต่เจริญให้บริบูรณ์นะฮะแต่เมื่อพระอรหันต์ท่านทําลายเนี่ยเพราะไอ้กุศลมันให้ และความเต็มบริบูรณ์นั้นเลยเป็นกิริยาลอยตัวมันการเกิดของกุของความดีของพระอานนท์นั้นจริงแต่เดี๋ยวเราก็จะได้พูดกับพระอานนท์เวลา อย่างอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่อย่างที่นะอ่าเราก็ว่าเป็นลักษณะกว้าง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็พูดที่จะกําหนดว่าจิตของพระอรหันต์กลุ่มนี้น่ะแท้จริงเนี่ยเมื่อเป็นพระ เพียงแต่ว่าทําให้จิตที่เป็นมหากุศลเดิมของท่านในสมัยที่ ทั้งโดยความรู้สึกนึกคิดโดยการกระทําโดยการพูดการ ข้อเขตมีความเป็นไปอย่างไรอย่างที่เราเรียนมาแล้วมหาสัจยาก็มีข้อ ก็คือโดยบุญยกิริยาโดยบุญยกิริยาหมายถึงการกระทําที่เป็นบุญเราก็ๆแล้วก็ใช้เป็นตัว ใน 8 ดวงเนี่ยครับดวงใดดวงหนึ่งคือมหากิริยาแล้วก็ทานก็มีขอบเขตกว้างนี่กว้างมากคนทํามีอารมณ์ 40 ก็ฟังดูเยอะแต่ว่ากับมหากุศลแล้วหรือมหากิริยาแล้วแค่ทานข้อเนี่ยครับทานนั้น ผู้นั่นคือฐานที่มีอารมณ์ต่างๆกันรูปลูสินนั่นคือฐานที่ 227 นอก 4-500 ข้อนอกปาฏิโมกข์นะก็จริงๆเนี่ยจะรักษาศีล 6-700 ข้อ ผักแล้วก็เหลือเชื่อนะสิเอ่ออย่างอย่าง 400 กว่าที่ที่พูดถึงอ่าความเคารพ แต่ความครบครบน้อมแล้วก็อย่างในทางพระนั้นก็มีอารมณ์ๆก็แตกต่างกัน โดยทวารนั้นหมายถึงทวาร 6 ตาหูจมูกลิ้นกายใจคนเข้าฌาน ทำงานมีหกจิตการออกมาทำงานของจิตมี 6 คนเข้าฌานนั้นเข้าทางทวารไหนอ้าวลองลองตอบสักคน แล้วสัมผัสถูกต้องไม่เข้าจานร่างกายหรือบอกว่านั่นไม่ยังไม่เป็นจานนะนั่นถือว่าเป็นขั้นเบื้องต้นเป็น ก็ลองลงมือทําก็เป็นบริกรรมธรรมดานี่เป็นมหากุศลจิตเป็นกามาวจรที่พยายามจริอ่านไปทําการของฌานนะพอได้ฌานพอจิตดิ่งแล้วจิตนั้นก็จะเป็นฌานนจิตซึ่งจะเป็นเรื่องของทางใจอย่างที่เราว่าที่แรกเวลาเราทําสมาธิบางทีเราโน้มที่ใจเนี่ยจิตมันยังพยายามจะออกไปทางตาทางหูทางจมูก หรือทางใจไอ้ชนิดที่มันเป็นระดับกามแล้วก็เริ่มจะปิดตวาลตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นเรื่องของนิพพานไปสู่กองอ่าระดับของความเป็นปุจจารสมาธิและอัปปนาสมาธิในที่สุดก็ อารมณ์นี้ถ้าเราแบ่งแค่ 6 ก็รูปเสียงกลิ่น 6 ซึ่งถ้าว่าว่ามาแล้ว โสมหาจริยานั้นเช่นมหากุศลนั้นเกิดกับปุถุชนปุถุชนใช่มั้ยสัตว์นรกเนี่ยก็เป็นปุถุชนเรา เป็นแต่มหากุศล 8 ถ้าเป็นจิตในทางดีแต่ถ้าเป็นทรหารแล้วก็เป็นมหากิย่าแต่ทรหารนั้นไม่เกิดในอบายภูมิ 4 เพราะฉะนั้นมหากิย่าจึงพลอยไม่เกิดในอบายภูมิด้วยปราหันต์ยังมีในโลกมนุษย์มีใน นี่คือคือเอ่อลักษณะที่เทียบว่ามหากิยานั้นคล้ายกับมหากุศลด้วยอาการเพราะฉะนั้นคําว่ามหาที่ใช้ข้างเนี่ยที่ว่า มีแล้วว่าอย่างลวมๆคร่าวๆแต่ว่ายังจะมีในลําดับต่อไปเนี่ยอ่ากิริยาหาพูดถึงกิริยาซึ่งจริงๆเราพูดมาๆนะแปลว่าการ เรียกว่ากิริยาที่มีความหมายออกไปในลักษณะของเมื่อมาหมายในทางจิตเอามา อ่าอ่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนส่วนนึงคือผู้กระทําโลกโลกกวานก่อนที่เราใช้กัน ถามว่าใครเป็นผู้กระทําให้เดินตอบว่าจิตนะจิตเจตนาความจงใจของเราเนี่ยเป็นตัวกระทําและตัวนั้นแหละครับที่เป็นตัว ค่าของความผิดความถูกจริงๆนั้นอาการเหล่านี่นี่พูดถึงหรือ ไปเปิดภาพที่เขาห้ามเปิดภาพที่เค้าห้ามไม่เปิดปิดกฎหมายแต่คนผู้กระทําเนี่ยมี เวลาเลยฆ่าเขาตายเอาปืนไปยิงก็ตายมีดไปแทงก็ตายมีดก็ มีพลังแล้วก็ส่งผลเราไปได้ก็คือเจตนาคือจิตของเราเองนะทีนี้จิตของเราเองมันเกิดในกิริยาอะไรเจตนาไป ได้ไปแล้วก็เมื่อตัวเองตายบุคคลอื่นอยู่เป็นปกติเป็นอาจินการไปเผา นะแต่เกิดจากเจตนาที่ไปคิดถึงฝ่ายแล้วๆเนี่ยไอ้ไอ้ดวงกสิณ มันก็เป็นอย่างอ่าไอ้ตรงนี้แหละจิตของเรากับของพระอาลักษณ์นี่ท่านว่าคนแล้วก็ขยับเข้ามาคนพฤติกรรมท่านถอย ความรู้สึกนึกคิดของเรารู้สึกนึกคิดของเราที่ๆถ้าเป็นอย่างเราไม่เป็นกิริยาไม่ไม่มี หลังจากหลักลึกฉวยลงไปตรงนี้จึงค้นลง นี่มันไม่มันไม่ได้เจตนาไม่ใช่ต้นตอแล้วครับบุญคลายสั่ง โดยที่ตัวตัวเราเองก็ไม่รู้ฮะอันนี้ไม่เรียนธรรมะและเนี่ยเราก็ไม่รู้ลึกเข้ามาถึงตรงนี้นะต้อง สมมุติว่านักไปสุนักใครเอาก้อนดินไปกว้างมันมันก็ไล่ขัดก้อนดินอย่างนั้น ซึ่งก็สาเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ไม่สาอกะวะสามารถทําให้เกิด หลักภิเศษและเรื่องตัณหาเรื่องสมุทัยในอริยสัจ 4 นั้นอธิบายเข้ามาถึงตรงนี้ทั้งสิทธิ์นี่ที่ที่เรามาเนี่ยทําดีก็ตามทําชั่วก็ตามทําชั่วจะ แต่ที่ไม่ได้ไม่เอาวิบากของมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วิบากในแง่กรรมเนี่ยไม่ ตัณหาละเอียดมากที่ตัณหาละเอียดได้อย่างนี้ก็เพราะว่ากุศลที่เข้ามาอุปการะการกระทํากุศลเหลียวนั้นเป็นกุศลละเอียดอย่างเรามาเรียนธรรมะเนี่ยก็ถือว่าเราจะได้อุปการะจาก อ่าตรงนี้เป็นนั้นว่าเข้าใจแล้ว คนเกลียดเหมือนกันคนวิกลจริตที่ไปฆ่าใครตายเนี่ยเขาก็ถือเป็นกิยาในๆจังๆเหมือนอย่างเรา แต่คนบ้าเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าเหมือนกับลาหรันเนี่ยท่านทํา อ่านี่ก็เป็นอัน 20 เนี่ยก็ผมก็จะไม่ว่าละเอียดแต่ 20 เนี่ยคําว่ากิริยา 20 นั้นพอไปถึงๆของ การเอ่ยถึง ah 20 ยกตัวอย่างเช่นบอกเอ่อในคัมภีร์ที่ 1 ว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาปยาคตาธรรมะแล้วก็ 21 แล้วก็เจตสิกที่ประกอบอกุศลธรรมมาคือ อัปยากาตตธรรมคือรูปเอ่อธรรมที่ไม่บุญไม่บาปรูปทั้งหมดนิพพานเป็นอัปยากาตตธรรมแล้วก็วิบากจิตทั้งหมดวิบากทุกๆกลุ่มนะ ตินี้อวัจญากิริยาจิต 20 เนี่ยแบ่งโดยท่านเลือกโดยกิริตเนี่ยก็จะเรียกเป็น 2 เปิดประตูรับอารมณ์ทางใจถึงแม้ว่ามโนทวารวจนะนั้นจะทํากิจ ส่วนอีก 18 ชื่อว่าชวนกิยาดังได้กิจทําชวนนะกิจเนี่ยเนี่ยก็เป็นอันว่าเรา 1 แล้วก็อีก 9 ในส่วนฌานสืบต่อไปเพราะฉะนั้นข้อ อ่ะสิ่งที่ควรจะเป็นพืชๆอย่างถ้าฮะนะภาษาไทยเรียกไข่อะไร ไข่ขาวหรือไข่ลมไข่ลมคนละเรื่องกันใช่มั้ยอันนั้นเป็น จากกรรมเป็นวิบากต่อไปเมื่อไม่เนี่ยเค้าจะไม่เรียกกุศลแต่เนี่ยเราสังเกต พออกุศลมันเรียกเต็มที่เลยว่าอกุศลเจตสิกพอไปถึงเจตสิกฝ่ายดีเค้าไม่เรียกอกุศลเจตสิกอ่ะเรียกว่าโสภณะเจตสิกแล้วเดี๋ยวจะไปขัดกับปราฬานปล่านท่านยัง แล้วสุกะธรรมธรรมขาวเนี่ยเรียกได้นะแต่ว่ากุศลอะไรคืออาวัชชนะกิริยา เนมถึงชวนะเนี่ยกิริยาใดที่ไม่ถึงชวนะเนี่ยอย่างโวธธรรมนะนั่นก็เป็นกิริยาที่มโนทวารอาละชนะทําหน้าที่ตัด เพราะจิตจะเป็นบุญเป็นบาปได้มีวิบากทําให้เกิดวิบากได้ต้องถึงจะวนัสต้องทําเจวนากิจนั้นไอ้กิริยาพวกนี้น่ะเราก็มีใช่มั้ยครับ ก็แปลว่ากิริยาตรงนี้น่ะมันไม่ได้เป็นกิริยาเพราะกิเลสนะกิริยาเนี่ยจริงๆเป็นอันว่ามี 2 เหตุด้วยกันที่เป็นกิริยากิริยาขอพวกหนึ่งที่ เพราะไม่มีกิเลสส่วนกิริยาที่ยังไม่ถึงชวนะคืออาวัชนะ คือไอ้ที่ยังเป็นนิบาตเพราะมันมันยังไม่พ้นผ่านคาของวงจรของ โดยที่ยังไม่ตั้งตัวนะไม่ทําตั้งตัวก็เป็นบุญบรรดาไม่ได้และที่ว่าไม่ตั้งตัวเนี่ยก็คือกิเลสก็ไม่ได้มาอิสระจากกรรมเป็น ด้วยเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวกับคิเลสอืมเหมือนอย่างมหากิยาหรือชานกิยาของพระอรหันต์อ่านี่แปลว่ากิยาพวกนี้เหมือน นี่สำหรับปลาหลานคาที่เรื่องเปรียบอย่างนี้เพราะอะไรลองคิดดูต้นไม้ <c oughs> มีชนิดอย่างอีกโพคหนึ่งต้นไม้ปลูกมะม่วง 1 จะต้องมี เพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะพระอารามท่านตัวท่านเองเนี่ยท่านก็เหมือน การกระทําของท่านจริงเป็นกิริยาโดยสิ้นจริงเพราะมีราก เทียบโดยกับกิริยาข้างนอกที่จริงๆก็ที่เรียกว่าเพราะว่าสักว่ากระทําเหมือนกันไม่ไม่ใช่ตัวสั่งเพราะเป็นไปด้วยอํานาจการยังจิตนั้นนั้น แล้วเกิดเราไม่มีกิริยาเป็นเครื่องมือนะเช่นเราอ่ะวันว่าพอจะลุกขึ้นมาเนี่ยอาพาธอาบปึกหรือว่าเอ่อเกิดเอ่อปโรคภัยไขเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งมาได้มั้ยจิตสําเร็จมั้ยไม่ กิริยาไม่มีอ่าถ้าเป็นเด็กเดินไม่ได้อาจจะคิดได้ สายอย่างใดอย่างใดนะฮะตามที่ตัณหาต้องการหรือไอ้ตัวสั่งการต้องการทีนี้จิตในเรา เป็นเครื่องมือในการทําการท่านก็ทําลายหมด 89 ทําลายหมดนะ 89 ก็ที่เป็นชวนะจิตทําลายหมดเอาแค่ชวนะก็พอพระ พูดไม่ได้ไม่ได้เข้าสมาบัติก็ไม่ต้องเข้าโดยกิริยาทั้งนั้นเข้าแสดงฤทธิ์ก็ไม่ได้เป็นปราหานแล้วก็เลยกลายเป็นคนนะฮะเลย นั้นท่านก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยอํานาจของกิยาซึ่งเป็นเรื่องของความ ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างที่เราได้ยินคําโจดว่าเป็นปราหานแล้วกลายเป็นคนไม่ๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตยาจิตที่เหลือ เจตปัจจัยเฉพาะหน้าเช่นว่าเห็นคนสงสารก็ทํา <c oughs> ในใจนะถ้าเป็นแวบในใจไปเห็นอะไรก็มีพฤติกรรมโต้ของการเนี่ยว่าใน